วันนี้เป็นวันจันทร์ที่7เมษายนพุทธศักราช2568เป็นวันหยุดชดเชยวันจกักรีถือว่าเป็นวันกำไรบุญเพราะว่าถ้าวันนี้ไม่ได้เป็นวันหยุดชดเชย สาธุชนพุทธบริษัทก็จะต้องไปทำงานทำการก็จะไม่ได้มีเวลามาวัดเพื่อมาทำบุญนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะให้วันนี้เป็นวันกำไรบุญจริงๆเราก็ต้องมาทำบุญกันบุญที่พูะเจ้าทรงสอนนั้น มีหลายชนิดด้วยกันวันนี้จะเอาบุญสำคัญสำคัญมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันบุญที่สำคัญลำดับลำดับที่หนึ่งลำดับแรกนี้ก็คือการมีสัมมาทิฏฐิการมีความเห็น ชอบหรือความเห็นที่ถูกต้องอันนี้เป็นบุญที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะถ้ามีมิจฉาทิฏฐิแล้วก็จะพาให้การดำเนินชีวิตเดินไปในทางที่ผิดเดินไปในทางที่จะสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจแต่ถ้ามีสัมมาทิฏฐ มีความเห็นที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงก็จะนําพาชีวิตให้ไปสู่ความสุขความเจริญการสิ้นสุดแห่งความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงการมีความเห็นที่ถูกต้องหรือมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบนี้เห็นอย่างไรถึงแยกว่ามีความเห็นที่ ชอบที่ถูกต้องก็เห็นตามความเป็นจริงนั่นเองเช่นเห็นไก่เป็นไก่เห็นเป็ดเป็นเป็ดไม่ใช่เป็นเห็นไก่เป็นเป็ดเห็นเป็ดเป็นไก่ถ้าเห็นไก่เป็นไก่ก็ถือว่ามีความเห็นที่ถูกต้องถ้าเห็นไก่เป็นเป็ดก็เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องตามความหลักความเป็นจริง ความเห็นในพุทธศาสนาที่เป็นควมเห็นที่ถูกต้องนั้นก็คือการเห็นว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงการทำบุญจะเป็นเหตุให้ไปสวรรค์การทำบาปจะเป็นเหตุให้ไปนรกการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงตายแล้วไม่สูญผู้ที่ตายก็คือร่างกาย แต่ผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปผู้ที่ไปเกิดใหม่ก็คือใจใจเป็นธาตุรู้ที่ไม่มีวันตายร่างกายทำมาจากธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่จะต้องแยกออกจากการวันใดวันหนึ่งพอธาตุทั้งสี่ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่มารวมตัวกันเป็นร่างกายพอแยกออกจากกันร่างกายก็ตายไปหายไปไม่ได้ตายร่างกายหายไปหายกลับคืนสู่ธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดินที่ไม่ตายเหมือนกันถ้าทั้ง ธาตุนี้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและธาตุรู้นี่เป็นของที่ไม่มีวันตายเพียงแต่ว่าจะมีการมารวมตัวกันเฉพาะกิจชั่วครั้งชั่วคราวเช่นเวลาที่มีการเกิดก็จะมีธาตุสี่มารวมตัวกันทำห้เป ให้ทำให้เกิดร่างกายขึ้นมาแล้วก็มีธาตุรู้คือใจมาครอบครอง ม, มาสั่งมาใช้ร่างกายนี้ไปทำอะไรต่างๆตามความต้องการของของใจของธาตุรู้แล้ววันหนึ่งข้างหน้าหลังจากที่อยู่ไปได้ระยะหนึ่ง ธาตุทั้งสี่ก็จะแยกออกจากกันไปร่างกายก็จะหายไปธาตุรู้ก็แยกออกจากธาตุสี่ไป mm. ก็ไปรวมตัวกับธาตุสี่ใหม่อีกครั้งหนึ่งเรียกว่าการไปเกิดใหม่ธาตุรู้คือใจนี้พอแยกออกจากร่างกายที่ตายไปธาตุรู้นี้ก็ไป รวมตัวกับธาตุสี่อีกชุดหนึ่งน่างกายอันใหม่อันห น, น, นึ่งเรียกว่าการไปเกิดใหม่แต่ตอนที่จะไปเกิดใหม่ได้ก็ต้องไปรับผลบุญหรือผลบาปก่อนไปสวรรค์หรือไปนรกหรือไปอบายก่อนขึ้นอยู่กับว่าทำบุญหรือทำบาปมากกว่ากัน ถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปบุญก็จะมีพลังที่จะดึงให้ธาตุรู้นี้คือใจหรือดวงวิญญาณนี้ไปอยู่ในสวรรค์ก่อนแล้วพอบุญที่ดึงไปหมดกำลังลงก็จะมาเกิดใหม่มารับร่างกายอันใหม่ต่อไปในทางตรงข้ามถ้าบาปมีกำลังมากกว่า บ, บุญ บาปก็จะดึงใจให้ไปอ บ, บายไปนรกไปอยู่จนกว่าบาปจะหมดกำลังลงก็จะปล่อยให้ใจนี้มาเกิดใหม่มารับร่างกายอันใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่เราเรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นอย่างนี้การไปสวรรค์ไปนรกเป็นอย่างนี้ถ้าเวียนว่ายตายเกิดในสวรรค์ เราก็เรียกว่าสุคติไปสู่สุคติถ้าเวียนว่ายตายเกิดในอบายในนรก <c oughs> เราก็เรียกว่าทุกคติก็ขึ้นอยู่กับการทำบุญหรือทาบาญนี่เองทำบุญบุญก็จะเป็นเหตุให้ไปสวรรค์ทำบาบบาบก็จะเป็นเหตุให้ไปอบายก็จะมีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อย ไม่มีวันสิ้นสุดแต่สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ต้องมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาปรากฏในโลกนี้มาตัดสู้มาค้นพบว่าการที่ธาตรู้ต้องมาเกิดมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆนั้นเกิดจากอะไร mm. ก็คือจะเกิดจากความอยากที่มีในธาตรู้นี่เองความอยากต่างๆ หรือความอยากสามประการด้วยกันความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดปวดกระพาะเรือว่าการมาตัญหาถ้ามีความอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดปวดกระเพะก็ต้องมีร่างกายต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายผู้ที่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็คือร่างกายของพวกเรานี่พอมีการสร้างร่างกายขึ้นมา จากพ่อแม่โดยพ่อแม่ถ้ารู้คือใจผู้ต้องการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสพลกเสียงกลิ่นลดปวดรพา mm hmm. ก็จะไปครอบครองร่างกายที่เกิดขึ้นมาใหม่ทันทีสาเหตุที่พาให้มาเกิดนี้ก็เพราะกามาตัญหา ความอยากเสพนรูยเสียงกิบลถโทษสะพาตามด้วยความอยากมีอยากเป็นอยากมีความสุขอยากล่ำรวนด้วยการมีความล่ำมีความรวยแล้วก็อยากไม่มีความทุกข์มนควาวพิพาทางาไม่อยากลำบากยากจนไม่อยากแก่ไม่อยากเสพไม่อยากตายความอยากเหล่านี้จะเป็นตัวผลักดัน ให้ธาตรู้หรือใจนี้ไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะเห็นว่าการเกิดไม่ดีเกิดแล้วก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ของร่างกายเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายและเวลาที่จะต้องสูญเสียพัดพาก จากคนที่รักคนที่ชอบหรือจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบไปการเกิดยังไม่ใช่เป็นความสุขเพียงอย่างเดียวการเกิดมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์แต่ความทุกข์มันจะรุนแรงกว่าความสุขถ้าไม่อยากจะพบกับความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากให้ได้ถ้าหยุดความอยากได้ การเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีการเวียนว่าการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเกิดขึ้นการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เราเรียกว่านิพพานการไปถึงพระนิพพานเมื่อจิตไปถึงนิพพานจิตก็จะปราศจากความโลภความอยากต่างๆเมื่อไม่มีความอยากต่างๆก็ไม่มี อะไรที่จะดึงใจให้ไปเกิดใหม่เหมือนกับรถยนต์ถ้าไม่มีน้ำมันมหรือถ้าใช้แบตเตอรี่ถ้าไฟในแบตเตอรี่หมดมรถยนต์ก็ไม่วิ่งต่อไปวิ่งไปไหนไม่ได้<ม>ใจคือถ้ารู้ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ เ, <ม>เพราะว่ามีน้ำมันหรือมีแบตเตอรี่มีไฟอยู่ในแบตเตอรี่คือ น้ำมันของการมาตัณหาภาวะตัณหาทิ่ภาวตัณหานี<ม>ถ้าสามารถทำลายแลอหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้การเวียนว่ายก็จะสิ้นสุดลง<ม>นี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ<ม>ถ้าเรามีความเห็นเหล่านี้แล้วมันก็จะทำให้เรา ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องดำเนินชีวิตที่จะนําพาเราไปสู่ความสุขน้งต้นก็จะพาให้เราไปสู่สวรรค์แล้วก็ทําให้เรายุติการไปเกิดไปเวียนว่ายตายเกิดในนรกด้วยการไม่ทําบาปถ้าเรารู้ว่าการไปนรกไปอบายเกิดจากการทําบาปถ้าเราไม่อยากจะไปเราก็หยุดทําบาป หยุดทำบาปบาปก็มีอยู่สี่ข้อนั่นเองไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ <c oughs> ไม่ประพฤติผิดในการแล้วก็ไม่โกหกหลอกลวงส่วนการดื่มสุรายาเมานี้เป็นอบายามุกยังไม่เป็นบาปแต่จะทำให้คนที่เสพอบายเสพสุลานี้ไม่มีสติไม่มีสติควบคุมอารมณ์ เวลาเกิดอารมณ์ที่อยากจะทำบาปก็จะทำไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วต่างกับคนที่ไม่ได้เสืร์ฟดื่มสุรายาเมาก็จะ ม, มีสติคอยควบคุมเวลาคิดจะทำบาปก็สามารถระงรับความคิดนั้นได้ระงรับการกระทําได้ถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็ทำบุญทำทาน แบ่งปันความสุขแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้กับผู้อื่นให้ผู้อื่นได้รับความสุขได้รับการบรรเทาทุกข์จากการช่วยเหลือของผู้ที่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากกว่าที่ตนเองจะใช้ได้เรียกว่าเป็นการทำบุญทำบุญทำทาน อันนี้ก็วิธีการถ้ามีสมา ธ, ธิก็จะไม่ทำบาปจะทำแต่บุญแต่ถ้าทำเพียงแต่สองอย่างนี้ก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆแต่อย่างน้อยก็ได้เวียนว่ายตายเกิดในสุคตเออิเวลาอยู่เป็นมนุษย์ก็จะทำบุญขยันทาบุญขยันรักษาสิ่งไม่ทำบาป พอตายไปบุญก็จะมีมากกว่าบาปบุญก็จะพาไปสวรรค์และอยู่ในสวรรค์จนกว่าบุญจะหมดลงก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หม่อยพอมาเป็นมนุษย์ก็จะมาทำบุญต่อมารักษาศีลห้าต่อไปพอตายไปก็ไปสวรรค์อีกก็จะเป็นอย่างนี้ไปเป็นรอบๆแต่จะไม่มีวันสิ้นสุดลง ก็จะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะเวียนว่าตายเกิดในสุคติอยู่ในสวรรค์แต่เวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องเจอกับความทุกข์ของร่างกายของมนุษย์ก็คือร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายต้องทุกยากลำบากกับการดำรงชีพ การจะอยู่ได้นี้ต้องมีการดิ้นรนต่อสู้หาปัจจัยสี่มาคอยเลี้ยงดูร่างกายอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาใดที่ขาดปัจจัยสี่เวลานั้นความทุกข์ของร่างกายก็จะปรากฏขึ้นมานั้นการเกิดนี้ถึงแม้ว่าจะมาเกิดในภพที่ดีเกิดเป็นมนุษย์ที่ร่ำรวย เป็นผลที่เกิดจากการทำบุญทาทางก็ต่างแต่ก็ยังต้องเจอกับภัยต่างๆภัยพิบัติต่างๆเช่นวันใดคืนดีก็เจ อ, เจอตึกถล่มเจอแผ่นดินไหวบางทีก็เจอสุนามิบางทีก็เจอน้าท่วมบางทีก็เจอไฟไหม้บางทีก็เจอพายุนี่เกิดความทุกข์ที่ เกิดจากการมาเกิดไม่ ว, ว่าจะเกิดมารวยมาจนก็ต้องมาเจอกับภัยเหล่านี้กันทุกคนถ้าไม่อยากจะต้องมาเจอกับภัยเหล่านี้อยู่เรื่อยๆก็ต้องหยุดการมาเกิดให้ได้ก็ต้องไปหยุดความอยากทั้งสามตการมาตันหาภาวะตัญหาแล ะ, ะวิภาวตันหาแต่จะรู้ เหตุที่พาให้มาเกิดได้นี่ก็ต้องมีพระพุทธศาสนามาสอนคือต้องมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคําสอนมีพระอริยสงสาวกองใดองหนึ่งเป็นผู้สอนบอกให้เราให้รู้ถึงเรื่องของการยินร่ายตายเกิด แล้วเหตุที่พาให้เวีนมาเวียนว่ายตายเกิดคืออะไรแล้วถ้าอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดต้องทำอย่างไรก็ต้องหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปให้ได้นี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเป็นบุญข้อแรกข้อที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าเพราะถ้าเรามีความเห็นผิดเราก็จะไปผิดทาง ถาเราเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีทำบุญแล้วไม่ได้ไปสวรรค์เพราะไม่มีสวรรค์ที่จะไปทำบาปแล้วไม่มีนรกที่จะไปก็จะไม่กลัวบาปกันก็อยากทำบาปกันออก็ใจนี้มีความอยากเวลาอยากได้อะไรแล้วทําไม่ได้ก็อยากจะก็จะใช้วิธีทาบาป หรือเวลาอยากได้อะไรง่ายๆอยากจะได้อะไรมากๆเล้วเร็วๆก็มักจะใช้วิธีทำบาปกันเพราะว่าถ้าทำอาชีพที่สุดจริตนี้มันได้น้อยแล้วได้ช้าได้ยากกว่าการทำบาบจึงเป็นเรื่องที่คนที่มีความอยากมากๆมกัมกจะทำกั น, นถ้ามีมิจฉาทิจิ คือมีความเห็นว่าตายไปก็ศูนย์ไม่มีสวรรค์รออยู่ข้างหน้าไม่มีนรกรออยู่ข้างหน้าไม่มีใครไปเกิดใหม่ไม่มีใครไปสวรรค์ไม่มีใครไปนรกเพราะเห็นเพียงแต่ร่างกายก็คิดว่ามีนร่างกายเพียง <c oughs> เพียงผู้เดียวฉะนั้นที่ทำบาปทำบุญแต่พอร่างกายตายไปร่างกายก็ไปเมนไปลุม ไปหลุมฝังศบกันไปกลายเป็นที่เท่าที่ถ่านไปแล้วใครจะไปสวรรค์ใคจะไปนรกก็จะบอกว่าไม่มีตายแล้วสูญนี่คือความเห็นความเห็นผิดที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเห็นกับตาละปัดเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเห็นว่าสิ่งที่มีว่าไม่มีเห็นว่านรกไม่มี ทั้งๆ ท, ที่นรกก็มีสวรรค์ก็มีบาปก็มีบุญก็มีแต่ไม่เห็นกันเรียก ว, ว่ามีมิจฉาทิฏฐิถ้ามีมิจฉาทิฏฐิเราอยากจะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบนี้จะต้องทำอะไรบ้างก็ต้องไปศึกษาธรรมะไปฟังเทศฟังธรรม อันนี้ก็เป็นการทำบุญชนิดที่สองถ้าเรายังไม่มีสัมมาทิฏฐิยังไม่เชื่อว่ามีสวรรค์มีนรกมีการเวียนว่ายตายเกิดมีนิพพานการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไปศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่แล้ว พระพุทธเจ้าก็ฝากตัวท่านไว้กับพระธรรมคําสอนถ้าอยากจะเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าก็ไปเรียนรู้จากพระธรรมที่มีในในพระไตรปิฎกศึกษาพระธรรมจากพระไตรปิฎกก็จะได้เรียนรู้จะได้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบถ้าไม่สามารถศึกษาจากพระไตรปิฎกได้ก็ถ้ามีพระอริยสงสาวก ก็ไปศึกษากับพระอริยสงสารุกรแทนก็ได้เช่นเกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนบรรลุถึงพระนิพพานแล้วท่านเหล่านี้ก็จะมีสมาทิติที่จะามาสอนมาบอกให้เราเห็นให้เราเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริง ผลของบุญก็คือสวรรค์ก็มีจริงผลของบาปก็คือนอรกก็มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงถ้ายังมีความโลภความอยากอยู่ถ้าอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ก็ต้องหยุดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจอันนี้คือบนข้อที่สอง เป็นบุญที่สำคัญทั้งสองข้อถ้าเราเกิดมาแล้วเราโชคดีมีสัมมาทิฏฐิติดมาแล้วคือชาติก่อนๆอาจจะเคยได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้รู้ได้เห็นว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงทําบุญแล้วไปสวรรค์ทาบาปแล้วไปนรกการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงถ้าสามารถ หยุดความยากต่างๆที่มีในใจให้หมดไปได้ถ้ามีสมาทิฏฐิแล้วก็ไม่ต้องไปศึกษาก็จะรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างแต่ถ้ายังไม่มีสัมาทิฏฐิยังไม่มีความเห็นที่ถูกต้องก็ต้องอาศัยการเข้าหาผู้รู้อย่างพระพุทธพระธรรพระสงฆ์ท่านเหล่านี้เป็นผู้มีสมาทิฏิคาพูดคำสอนของท่านนี้ออกมาจากสมาทิฏฐิ ทันจะสอนให้ละ บ, บาปให้สอนให้ทำบุญสอนให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือบุญข้อที่สองมันศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆทำสั่งคำสอนเพื่อให้เรามีศรัทธาที่แรงกล้าที่มั่นคงที่จะทำให้เรานี้กระทำในสิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์สุขกับเราการจิตใจของเรา ที่จะทำให้จิตใจของเราวันใดวันหนึ่งข้างหน้านี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเรามีสมมาทิฏฐิแล้วรู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรบุญที่เราต้องทำขั้นต่อไปก็คือทำทานแล้วก็รักษาศีลแล้วก็ภาวนานี่คือบุญสามข้อใหญ่ๆที่จะเป็นตัวที่จะพาให้เรา ดูดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดขณะที่เรายังไปไม่ถึงนิพพานเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุคติเราจะไม่ต้องไปเกิดไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายดังนั้นเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิที่ติดตัวมาที่ติดใจมากับเราก็ดีถ้ามันยังไม่มีเราก็ต้องศึกษาธรรมะ ฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะต่างๆค้นคว้าหาความจริงให้มีความมั่นใจว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดคือใครไม่ใช่ร่างกายผู้ที่ไปเกิดใหม่ก็คือใจที่ไม่ได้ตายร่างกายก็ไม่ได้ตายความจริงร่างกายก็แยกธาตุออกไป ้าตที่มารวมตัวเป็นร่างกายก็แยกออกไปไปอยู่ไปอยู่เป็นธาตุเดิมไปธาตุน้ำก็แยกไปอยู่กับธาตุน้ำธาตุดินก็แยกไปอยู่กับธาตุดินพอการพอธาตุทั้งสี่ที่มารวมตัวให้มีร่างกายแยกออกจากกันร่างกายก็หายไปกลายเป็นธาตุสี่ไปนี่คือสิ่งที่เราต้องมีความเห็น ไอ้ถูกต้องว่าสิ่งเหล่า น, นี้เป็นความจริงเมื <Okay. S 1> ่อเราเห็นความจริงของสิ่งเหล่า น, นี้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราควรจะทำอะไรเพราะเรารู้ว่ า, าไม่เราไม่อยากได้ความทุกข์กัน <Okay. S 1> ถ้าเราไม่อยากได้ความทุกข์ไม่อยากจะไปเวียนไหว้าตายเกิดในอบายในนรกเราก็ต้องไม่ทำบาป <Okay. S 1> ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรม <Okay. S 1> ไม่พูดปดแล้วก็ละเว้นการเสพ อบายามุขเช่นสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกังคืนคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรและความเกลียดใครนี่คือการกระทาที่เราจะต้องเลิกทำให้ได้ถ้าเราเลิกทำได้แล้วการที่จะมีความทุกจากการกระทาเหล่านี้ก็จะไม่มีการที่จะต้องไปเกิดในอบายก็จะไม่มีเราก็จะ ไปเกิดในสวรรค์เวลาตายไปถ้าเราทาบุญอยู่เรื่อยๆทำบุญตามกำลังของเรารมีมากมีน้อยก็ทำไปตามกำลังของเรารอขอให้เราได้ทำเถิดแม้แต่แม้แต่ข้าวทับทีเดียวก็เป็นบุญมีมีทาไปตามกาลังของเรารมีมากมีน้อยทาไป แล้วมันจะเป็นบุญเป็นสวรรค์ขึ้นมาเวลาตายไปมันก็จะไปสวรรค์อาจจะไม่ไปสวรรค์ชั้นสูงเพราะเราทำน้อยกว่าผู้ที่เขาทำบุญมากกว่า<ม>ผู้ที่ทำบุญมากกว่าเขาก็ไปสูงกว่าเราได้ความสุขมากกว่าเราแต่ก็ได้ความสุขเหมือนกันเพียงแต่มีมากความสุขมีมากมีน้อยเหมือนกับการไปพักโรงแรมโรงแรมก็มีหลายราคา โรงแรมห้าดาวก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงหน่อยถ้าโรงแรมหนึ่งดาวค่าพัก ก, ก็ถูกหน่อยแต่ก็เป็นที่พักผ่อนหลับนอนที่ให้ความสุขให้ความสบายได้เหมือนกันเห็น mm hmm. อย่าอย่าเสียดายเงินทองที่มีอยู่ถ้าเรามีส่วนเกินส่วนที่เราพอจะแบ่งไปทําบุญได้ควรจะเอาไปทําบุญ อย่าไปเสียดายอย่าไปหวงเพราะเวลาตายไปเราเอาเงินทองไปไม่ได้แม้แต่บาดเดียวเราจะเอาไปได้ก็คือบุญที่เราทำด้วยเงินทองของเรานี้เท่านั้นเองนั้นให้เราเปลี่ยนเอาเอาเงินที่มีอยู่นี้ที่เราเอาติดตัวไปกับเราไม่ได้นี้มาทำให้เป็นบุญขึ้นมาในใจของเราแล้วเราก็จะได้ไปสวรรค์ แล้วก็หลังจาก บ, บุญหมดเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่มีฐานะมั่นคงมั่งคั่งมีเงินมีทองจากการทำบุญทําทานของเราในชาติก่อนนี่คือขั้นขั้นของการทำบุญพอเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดจากการมีเกิดขึ้นมาตั้งแต่เดิมหรือถ้าไม่มีก็ ทำให้เกิดจากการไปศึกษาฟังเทศฟังธรรมแล้วพอเราศึกษาฟังเทศฟังธรรมเราก็รู้ว่าเราต้องทำอะไรเราต้องทำทานเราก็มาทำทานกันแล้วเราก็ต้องรักษาศีลแล้วก็มาถือศีลกันศีลห้าเริ่มต้นก็ถือศีลห้าก่อนเพื่อปิดประตูบายเพื่อที่เราตายไปเราจะได้ไม่ต้องไปรับโทษ ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันไม่ดีถึงเกิดเป็นคนจะดีกว่าแล้ว<ม>ถ้าไม่ได้เกิดเป็นเดรัจฉานต้องไปเป็นเปรตก็ไม่ดีเป็นอ<ม>นุสวรกายก็ไม่ดี<ม>ไปตกนรกก็ไม่ดี<ม>สถานที่เหล่านั้นเป็นสถานที่มีแต่ความทุกข์<ม>ถ้าไม่อยากที่จะต้องไปอยู่ในสถานที่เหล่านี้ก็ถือศีลห้าให้ดีรักษาศีลห้าให้ดี แล้วถ้ามีกำลังที่จะทาบุญได้ก็ทำบุญไปทางกำลังแล้วก็จะได้ไปรับผลบุญในสวรรค์สวรรค์ก็เป็นเหมือนที่เราไปท่องเที่ยวดีๆนี่อย่างเช่น ช, ช, ช่วงหยุดห้าวันที่จะมาถึงเนี่ยช่วงสงการนี้เราก็วางแผนกันแล้วว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันเองเราจะเลือมเรื่องความทุกข์เรื่องแลวความวุ่นวายใจต่างๆให้มันหมดไปไปเที่ยวกันไปหาความสุขจากการไปเที่ยวกัน สวรรค์ก็เป็นอย่างนี้เวลาตายไปแล้วไปสวรรค์ก็เหมือนไปท่องเที่ยวกันท่องเที่ยวในโลกทิพย์ที่เป็นที่น่าท่องเที่ยวยิ่งกว่าที่ท่องเที่ยวในโลกนี้เสีียอกสวรรค์ น, นี้มีที่ท่องเที่ยวที่วิจิตพิสดารเหนือ ก, กว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มีในโลกนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อเรื่องสวรรค์เราก็จะไม่เสียดายเงินทอง เราก็จะคิดอยู่เรื่อยๆว่าเงินทองนี้มีไว้ก็มีไว้สอทําับทประโยชน์สองอย่างประโยชน์แรกก็คือมีไว้เลี้ยงดูร่างกายของเราร่างกายของเราจะอยู่สุขสบายได้ก็ต้องมีเงินทองไปซื้อปัจจัยสี่ซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหง่มซื้อที่อยู่อาศัยซื้ อ, อยารักษาโรค นี่คือเหตุผลที่ว่าเราทาไมต้องมีเงินทองกันทําไมเราต้องมีธรรมาอคติกันเพราะเราต้องเลี้ยงดูปากทองของร่างกายนั้นถ้าร่างกายขาดปัจจัยสี่เมื่อไหร่ความทุกข์ความบกพร่องของร่างกายก็จะเกิดขึ้นขึ้นร่างกายก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้แล้วถ้าขาดมากๆก็อาจจะถึงแก่ความตายก็ได้เราจึงต้องมีเงินทองมีรายได้ เพื่อที่จะได้เอามาใช้เลี้ยงดูร่างกายงั้นการมีเงินทางเพื่อใช้เลี้ยงร่างกายนี้เป็นเรื่องจำเป็นไม่ใช่เรื่องของความโลภไม่ใช่เรื่องของกิเลสแต่ถ้าเราเป็นคนเก่งทำมาหากินแล้วได้มากมากกว่าที่เราจำเป็นที่จะต้องมีอถ้าเรามีเหลือเหลือจากการเอาไปเลี้ยงดูร่างกายของเราเราก็ควรเอา เงินที่ที่เหลือนี้เอามาทำบุญส่วนหนึ่งก็อาจจะเก็บสำลองไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเรายัางจะสามารถทำงานทาการหาเงินหาทองได้เหมือนอย่างที่เราทำอยู่ในขณะนี้ไปเรื่อยๆไ ด, ไ ด, ไ ด, ได้หรือไม่อันดีก็อน ด, น ด, นดีอาจจะตกงานก็ได้หรืออาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถไปทำงานได้ เราก็ต้องมีเงินก้อนหนึ่งสำรองไว้เพื่อดูแลเลี้ยงดูร่างกายของเราต่อไปแล้วถ้าเรายังมีเงินเหลืออยู่เราก็แบ่งออกมาทำบุญอย่าเอาไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เราไม่สามารถเอาติดไปกับใจได้เวลาที่เราตาย ความสุขที่เกิดจากการไปเที่ยวไปกินไ ป, ไปดื่มไปดูไปฟังอะไรนี้มันไม่สะสมอยู่ในใจเหมือนกับความสุขที่ได้จากการทําบุญทาทาน mm hmm. ความสุขที่ได้จากการทําบุญทาทานนี้มันจะสะสมอยู่ในใจมันจะไม่หายไปเวลาตายไปใจก็จะได้อาศัยความสุขคือบุญนี้เป็นผู้พาให้ไปอยู่ในสวรรค์ต่อไป แต่ถ้าเราเอาเงินไปซื้อความสุขจากลูกเสียงกลินรสต่างๆมันเป็นความสุขชั่วชั่วคราวชั่วขณะที่เราได้ไปเสพได้สัมผัสเช่นเราไปเที่ยวกันพอกลับมาจากไปเที่ยวความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปหมดแต่ถ้าเราไปทําบุญนี้บุญที่เราได้จากการทําบุญนี้มันยังอยู่ต่อไปเราคิดถึงบุญที่เราเคยทํามาเมื่ออาทิตย์ก่อนเมื่อเดือนก่อน พอคิดปั๊บความสุขใจก็โผล่ขึ้นมาทันทีเพราะว่ามันยังอยู่ในใจของเรานั่นเองมันจะติดไปกับใจมันจะหมดได้ก็ต่อเมื่อมันพาให้เราไปอยู่ในสวรรค์แล้วพอไปอยู่ในสวรรค์บุญที่ส่งเราไปก็จะค่อยๆหมดไปพอบุญที่หมดไปมันก็จะทำให้เราต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต่อไปมาแตมบุญใหม่หรือมาเติมบาปใหม่แล้วแต่ว่ามี ธรมมอาทิตติหรือมีมิจฉาทิติถ้ามีมิจฉาทิติมีความเห็นผิด<ม>ก็จะทำบาปโดยไม่มีความกลัวเพราะเห็นว่าไม่มีไม่มีผลตามมาทำบาปแล้วได้ของที่อยากได้ได้มากๆได้เงินได้ทองมากมายแต่ไม่รู้ว่ามันมีผลบาปตามมามมแต่คนที่มีธรรมาทิตจะไม่กล้าทำบาปจะทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุดตริญ ไม่ชอบโกงไม่รับไม่รักทรัพย์ของผู้ไม่หลอกรวงผู้เป็นต้นก็จะไม่มีไม่มีภัยตามติดตัวมาไม่มีอบายไม่มีนรกตามมาอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องทำในเบื้องต้นก่อนทำบุญสองอย่างทำทานกับรักษาศีล อ, อย่าทำบาปถ้าเรายังไม่มีกำลังมากพอที่จะไปทำบุญที่มีกำลังที่ต้องใช้กำลังมากกว่า น, นี้เบื้องต้นเราก็ทาขั้นที่ง่ายๆก่อนทําบุญทำทานไปตามกำลังของเราไปก่อนต่อไปเมื่อเราทำบ่อยๆขึ้นเราก็จะมีกำลังมากขึ้นแล้วเราก็จะเห็นคุณค่าของการทำบุญว่า มันทำให้ใจเรามีความสุขมากขึ้นทำให้ใจเรามีความเย็นมีความอิ่มความพอมากขึ้นความโลภความอยากที่เคยมีอยู่มันก็เบาบางลงไปน้อยลงไปมันก็จะทำให้เรามีกำลังที่อยากจะทำบุญที่มีกำลังที่มีน้ำหนักมากกว่าบุญที่ไดจากการทำทานบุญที่ได้จากการรักษาสิงบุญที่จะได้ความสุขมากกว่า บุญที่ได้จากการทำทานรักษาศินก็คือบุญที่เกิดจากการภาวนา<ม>การภาวนานี้เป็นการซักพอกจิตใจเพื่อชำระกิเลสตัณหาความคามอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ<ม>ใจจมีความสุขมากที่สุดจากการภาวนา<ม>ความสุขจากการทำทานความสุขจากการรักษาศินนี้ น้ำหนักยังสู้ความสุขที่ได้จากการภาวนาไม่ได้ถ้าเราอยากที่จะได้ความสุขในระดับภาวนาเนะบื้องต้นเราก็ต้องสามารถรักษาสินะให้ได้ก่อนสามารถเสียสละเงินทองนะไม่ไปหาความสุขจากการใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆทางตาหูจมูกนิ้นกายเพราะว่าเวลาที่เราต้องการที่จะได้ความสุขจากการภาวนานี้นะ เราต้องไปถือศีลแปดกันเราต้องละเว้นการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วเราก็จะไม่ใช้เงินทองเพื่อไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้งกายเราจะจะเอาเงินทองนี้ไปทําบุญทาทานแทนเพราะเวลาเราไปปฏิบัติธรรมตามวัดตามสถานที่เราก็ต้องช่วยทํานุบํารุงสถานที่เราก็ต้องมีการบริจาคค่าน้ําค่าไฟ ถ้าดูแลรักษาสถานที่ให้คงอยู่ไปเรื่อยๆเพื่อเราจะได้มีที่ไปปฏิบัติธรรมไปที่ไปภาวนานั่นเองดังนั้นถ้าเรายังไม่ได้ทำบุญทาทานยังไม่ได้รักษาศีลห้านี้เราจะไม่ค่อยอยากจะเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมเท่าไหร่เพราะเรารู้ว่าเราไม่มีกำลังพอที่จะทำได้เราะใจเรายังมีความอยากไปเที่ยวไปกินไปดืม่ม ยังมีความอยากที่จะหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ซื้อความสุขทางต า, งางงหงจมูกนิ้กายเราก็จะไม่ค่อยอยากจะทำบุญทาทานกันไม่อยากทำบุญทาทานไม่อยากจะรักษาศีลก็เลยไม่รู้จะเข้าวัดไปทำไมก็เราจะไม่ได้เข้าวัดก็จะไม่มีความสุขจากการปฏิบัติเจริญจิตตภาวนา <c oughs> <c oughs> นี่ก็คือ การทําบุญเป็นขั้นๆไปทําทานมันง่ายกว่ารักษาศีลรักษาศีลห้ามันง่ายกว่ารักษาศินแปดแล้วก็การฝึกสตินั่งสมาธิมันก็ยากกว่าการรักษาศินแปดแล้วก็การเจริญปัญญาก็ยากยิ่งกว่าการเจริญสตินั่งสมาธิแต่ผลที่ได้มันก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ<ม>ผลที่ได้จากการรักษาศีลห้า สู้ผลที่ได้รับจากการรักษาศีลแปดไม่ได้ความสุขน้อยมากน้อยต่างกันไปความสุขจากการรักษาศีลแปกก็น้อยกว่าการความสุขที่ได้จากการฝึกสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วความสุขที่ได้จากความสงบจากสมาธิก็น้อยกว่าความสุขที่จะได้จากการจากการมีปัญญาที่จะใช้ในการชาระใจให้สะอาดบริสุทธ กำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจอันนี้เป็นความสุขที่สูงสุดเป็นการสร้างความสุขเป็นขั้นๆไปขั้นต้นเราก็มาสร้างความสุขจากการทำบุญทำทานแล้วเราก็มาสร้างความสุขจากการรักษาศีลห้าแล้วเราก็มาสร้างความสุขจากการรักษาศีลแปดเมื่อเรารักษาศีลแปดได้เราก็จะมีเวลาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิได้ เราก็จะได้ความสุขจากความสงบของสมาธิเมื่อเรามีกําลังมีความสุขที่เกิดจากความสงบของสมาธิใจก็จะมีกําลังที่จะไปเจริญปัญญาเพราะการเจริญปัญญานี้ก็คือการไปต่อสู้กับความโลภความอยากต่างๆนั่นเองเพราะปัญญาจะสอนว่าตัวที่มาทําให้ใจทุกตัวที่พาให้ใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิด น, นี้ก็คือความอยากต่างๆถ้าไม่อยากจะ กลับมาเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่อยากจะกลับมาเจอกับความทุกข์ต่างๆก็ต้องหยุดความอยากให้ได้ถ้าหยุดได้ก็ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนมีสมาธิในระดับอุเบกขาใจต้องมีอุเบกขาใจอยู่เฉยๆได้พออยู่เฉยๆได้เวลาเกิดความอยากก็ไม่ทำตามความอยากได้อยากไปเที่ยวก็ไม่ไปอยากจะดูหนังฟังเพลงก็ไม่ไป จชวันหยุดสงการในห้าวันนี้ปกเิก็อยากไปเที่ยวกันแต่เราเห็นว่าการไปเที่ยวนี้มันมันไม่ได้นำไปสู่การดับทุกข์แต่เป็นการนำไปหาความทุกข์กองใหม่ต่อไปอยู่เรื่อยๆ <Okay. S 1> ก็มาฝืนหยุดความอยากไปเที่ยวกันก็ <Okay. S 1> ขึ้นอยู่กับว่าเรามีสมาธิมากน้อยเพียงไรถ้ามีสมาธิมากก็จะฝืนความอยากได้มากก็อาจจะหยุดได้นะ หยุเที่ยวได้นานกว่าคนที่มีสมาธิน้อยมีสติกําลังน้อยถ้าถ้าเราอยากจะหยุดความอยากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้มากขึ้นถ้ามีสติมากขึ้นสมาธิมากขึ้นก็จะมีกําลังกําลังฝืนความอยากได้มากขึ้นได้นานขึ้นต่อไปเราก็อาจจะสามารถฝืนความอยากได้อย่างเต็มร้อย พอเราไม่ทําตามความอยากความอยากที่มันเคยมามายุมายงมาคอยมาฉุดบาลากใจก็จะหายไปเพราะมันรู้ว่ามาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมาก็ไม่สามารถดึงใจให้ไปทําตามความอยากได้ถ้าเราฝืนความอยากได้ต่อไปความอยากมันก็จะยอมแพ้เราเองมันจะไม่กล้ามันชวนเราไปอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อไปเพราะมันรู้ว่ามันไม่สามารถดึงใจเราไปได้แล้วเพราะใจเรานี้แข็งเหมือนก้อนหิน ใจเรามีอุเบกขาอยู่เฉยๆได้ไม่รู้สึกเดือดร้อนเมื่อก่อนไม่มีอุเบกขานี่พอเกิดความอยากเราต้องดิ้นต้องไปทําตามความอยากถึงจะหายดิ้นหายทุกข์หายทรมานแต่พอมีอุเบกขาจากสมาธิแล้วพอเกิดความอยากใจก็เฉยใจไม่ดิ้นแล้วพอเห็นปัญญาถ้ามีปัญญาเห็นว่าความอยากนี้เป็นพิษเป็นภัยจะพาไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขเพราะสิ่งที่เป็นความสุข ที่ไปหานั้นมันเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นของชั่วคราวมันให้ความสุขในเบื้องต้นแต่พอพอมันจางหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีนี่คือการเห็นปัญญามีปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่ความอยากต้องการให้เราไปหามาให้ความสุขกับราวนี้ล้ว น, นเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นถ้าเห็นว่ามันเป็นอ น, นิจจังมันก็จะเห็นว่ามันจะนําไปสุข ความทุกข์มันก็จะเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะสั่งให้มันให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะไม่ไปหามันไม่มีใครอยากจะได้ความทุกข์กันเมื่อเราเห็นว่าสิ่งที่เราความอยากของเราต้องการให้เราไปหาเช่นลาบยศสารเสริญสุขนี่มันเป็นทุกข์ถ้าเป็นทุกข์ก็ไม่เอาดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าอย่างน้อยก็ไม่ทุกข์ แล้วพอไม่มีความอยากจากการอยากไปหาอะไรใจก็จะนิ่งสงบเกิดความสุขกันยิ่งใหญ่ขึ้นมาที่เรียกว่าปะมังสุขขังความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากมาลบขวนใจมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจนั่นเองอันนี้แหละเป็นการปฏิบัติเป็นการทำบุญชนิดต่างๆ <c oughs> ที่พระอุธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรา พยายามทุ่มเทเวลาให้กับการสร้างบุญเหล่านี้เพราะเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์กับจิตใจเป็นสิ่งที่จะติดไปกับใจเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งของใจต่อไปถ้าใจมีบุญแล้วใจไปอยู่ที่ไหนก็ใจก็จะมีแต่ความสุขไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความมั่งคัง่งมีบารมีมีวาสนาบารมีมีฐานะที่ดีมีร่างกายที่สวยงาม มีร่างกายที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวนานเป็นต้นนี่เปนอำนาจของบุญต่างๆแต่ทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองนี้เราเอาติดตัวไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกมีเงินไม่รู้กี่ล้านล้านบาทเวลาตายไปนี่เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวน่าเสียดาย แต่ถ้าเอามาแปลงเงินเหล่านี้มาให้เป็นบุญนี่โอ๊ยได้เอาเงินไปทั้งกองเท่าภูเขาได้เลยแต่เขาไม่ทํากันเขาเสียดายเขาไปคิดว่าเงินทองนี้จะต้องอยู่กับเขาไปตลอดแต่เขาลืมความตายไปเขาเขาลืมคิดว่าวันหนึ่งเขาจะต้องตายแล้วเวลาตายไปเงินทองเหล่านี้ก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมดตัวเองเอาไปอะไรไม่ได้เลยก็จะไปแบบขอทานทางจิตตวิญ ญ, ญาณก็คือไปเป็นเปรต น, น, นี่เอง ให้ปเป็นเปรตแล้วก็ต้องไปขอบุญจากผู้อื่นเขาเป็นเป็นขอทานทางจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นขอให้เราเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของการทําบุญชนิดต่างๆเพราะเป็นบุญนี้เป็นของจริงเป็นความสุขแท้ความสุขจริงที่จะพาให้จิตใจเรานี้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่าง ๆ, ๆได้ในที่สุด ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นอกจากบุญที่พระเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติเช่นให้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบถ้ายังไม่มีความเห็นชอบก็ให้ศึกษาธรรมะฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆทําบุญด้วยการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าจึงต้องกำหนดวันพระขึข้นมาวันธรรมสวรนระวันพระเป็นวันวันที่เราจะหยุดทางานทาการเพื่อมาฟังเทศฟังธรรม มาเสริมสติปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบให้มีเพิ่มมากขึ้นให้มีความแน่นหนามั่นคงมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นความเห็นชอบที่ไม่หวั่นไหวต่ออะไรก็ตามไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนแปลงความเห็นนั้นนี้ได้เพราะมันเป็นความเห็นที่ตรงกับความเป็นจรงิงเมื่อมีความเห็นชอบแล้วมันก็จะมีการกระทาที่ถูกต้องการกระทำชอบ คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่ประพฤติผิดในการไม่โกหกไม่พูดปลดโกหกหลอกลวงไม่ดื่มสุรายาเมาเป็นต้นแล้วก็จะไปทําบุญทําทานมีเงินมีทางที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้เก็บเอาไว้ไม่จําเป็นยังต้องเก็บเอาไว้ก็แบ่งเอาไปทําบุญทําทานกัน อย่าเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปเดินไปดูไปฟังเอามันเป็นการไปเสพยาเสพติดเสพแล้วก็ติดต้องคอยเสพอยู่เรื่อยๆพอไม่มีเงินไปซื้อสิ่งเหล่า น, นี้มาเสพใจก็จะหดหูใจก็จะเสืมเศร้าขึ้นมาใจก็จะเศร้าเศร้าหงอยเหยงาว้าเหว่ขึ้นมาแต่ถ้าเราไปทําบุญนี้บุญนี้จะให้ใจมีความอิมอ่มเอิบใจมีความสุขใจเวลาที่ไม่มีเงินทําบุญ เราไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกเศ้าสร้อยหงอยเหงาว่าเวแต่อย่างไรเพราะบุญที่ได้ทําไว้ยังมีสะสมอยู่ในใจอยู่ยังให้ความสุขเหมือนกับตอนที่ไปทําบุญใหม่ๆเลยนะนั้นถ้ามีเงินมีทางเหลือกินเหลือใช้อย่ า, อาไปซื้อของพุ่งเฟยอย่ า, าไปเที่ยวไปกินไปดืม่มเอาไปทําบุญทําทานกันการทําบุญนี้ก็ทําได้กับทุกที่ไม่จําเป็นจะต้องทํากับที่วัดเพียงอย่างเดียว การทำบุญนี้แปลว่าแปลว่าการให้ทานนี้แปลว่าการให้ให้แล้วก็จะเกิดผลขึ้นมาผลก็คือความสุขใจอิ่มใจความสุขใจอิ่มใจนี้นะคือบุญบุญเป็นผลทานเป็นเหตุเข้าใจไหมการทาต้องทำทานก่อนแล้วถึงจะเกิดบุญขึ้นมาแต่คนเราบางทีเข้าใจว่าถ้าทำทานกับวัด ก็จะเกิดบุญขึ้นมาแต่ถ้าทําทานกับคนอื่นนี้จะไม่ได้บุญจะได้ทานความจริงมันก็เป็นบุญเหมือนกันเกิดความสุขใจเกิดความอิ่มใจเหมือนกันเช่นทําบุญกับพ่อกับแม่มันจะช่วยดูแลพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่หรือซื้อข้าวซื้อของให้พ่อแม่ใช้ให้กินให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายอันนี้ก็เหมือนกับทําบุญกับที่วัดมันก็มีการความรู้สึกเหมือนกันได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกัน บางคนชอบสุนัขสงสารสุนักจรจัดก็ช่วยเอาหาอาหารมาเลี้ยงสุนักจรจัดเขาก็มีความสุขใจหินใจเหมือนกับการที่เขาเหมือนกับคนที่ไปใส่บาทกับพระนั้นการให้นี้มันเป็นบุญทั้งนั้นเป็นเป็นความสุขใจหิมใจไม่สำคัญว่าผู้รับจะเป็นใครผู้รับเป็นพระก็ได้ผู้รับเป็นคารวะของผู้ครองเรือนก็ได้ผู้รับเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ เวลาให้กับบุคคลเหล่านี้แล้วผู้ให้นี้จะได้รับความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาความสุขใจอิ่มใจนี่แหละก็คือบุญที่จะส่งใจให้ไปสวรรค์ต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้วเวลาไปเกิดใหม่ก็จะมีบุญมาสนับสนุนให้อยู่ดีกินดีมีความสุขมีสมบัติเข้าของเงินทองเหลือกินเหลือใช้ต่อไปโดยที่ไม่ต้องไปดิ้นโลนไปทำมาหากินให้เหนื่อยยาก คนบางน ก, ก็มาเกิดเป็นลูกของเศรษฐีเลย น, นี้ก็คือเรื่องของการทําบุญทําทานที่พระเจ้าทรงสอนให้เราพยายามทําอยู่บ่อยๆวันไหนมีเวลาว่างเช่นวันนี้มีเวลาว่างก็ไปทําบุญกันดีกว่าอย่าเอาเวลาไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรถเพราะมันเป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขที่จะทําให้หิวให้โหยอยู่เรื่อยๆได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ ให้ไปทําบุญแทนถ้าไม่มีเงินทําบุญทําทานก็ไปรักษาศีลรักษาศีลห้าไปรักษาศีลห้าก็ได้บุญแล้วถ้ามีเวลาอยากจะมาฝึกสตินั่งสมาธิมาถือศีลแปดก็มาอยู่วัดกันตอนอยู่ห้าวันนี้ก็ลองจองที่พักของที่วัดดูแล้วมาอยู่ที่วัดมาถือศีลแปดมาฝึกสติมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมมาเจริญปัญญากัน อันนี้ก็จะได้บุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือบุญที่เกิดจากการบําเพ็ญจิตตภาวนา mm hmm. อันเรารีบทําเสียแต่ขณะ น, นี้ในขณะเวลาใดที่เรามีเวลาว่างรีบทําเสียเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาว่างอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าวันข้างหน้าอาจจะมีเหตุอาการอะไรที่เราคาดไม่ถึงก็ได้อาจจะเกิดอุบัติเหตุทําให้เรานี่ต้องนอนติดเตียงไม่สามารถที่จะไปทําบุญไปวัดไปทําบุญไปทําอะไรได้ อันนี้เรายังไปได้รีบไปเสียรีบทําเสียเพราะเวลามันไม่มีอะไรที่ทเที่ยงแท้แน่นอนรังคารร่างกายของเราก็ไม่มีใครรับประกันว่าจะสมบูรณ์แข็งแรงอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห็นเวลานี้ทําอะไรได้ทําบุญอย่างใดได้ก็รีบทําเสียฟังเทศฟทังธรรมได้ก็หม<ๆ>ัม่นฟังธรรมอยู่เรื่อยๆทําบุญทําทานได้ก็หมั่นทําอยู่เรื่อยๆรักษาศีลได้ก็พยายามรักษาไปเรื่อยๆ ถือศีลแปดได้ก็ถือไปวันไหนอยากจะถือศีลแปดก็เปลี่ยนจากถือศีลห้ามาถือศีลแปดไปต่อไปก็อาจจะถือศีลแปดแทนศีลห้าก็ได้ถ้าถือศีลแปดได้ก็ยามีกำลังที่จะทำให้จิตนั่งสมาธิสงบได้ง่ายกว่าคนที่ถือศีลห้าแล้คนที่ถือศีลห้านี้บางทีจะไม่มีเวลาให้กับการปฏิบัติเพรา ะ, ราะจะเอาเวลาไปกินไปดื่มได้อยู่ คนที่ถือสินห้ายังเสพกามได้อยู่ยังเสเพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้แต่พอมาถือสินแปดแล้วนี่ก็ต้องระ ง, งับการเสพกามระ ง, งับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่สามารถทาได้เพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ไปเสเพกามนี้มาให้กับการฝึกสตินั่งสมาธินั่นเองถ้าไม่ถือสินแปดมันก็จะยากจะไม่ค่อยมีเวลาเพราะใจมันโดย โดยพื้นฐานแล้วมันอยากจะเสพกามมากกว่าอยากที่จะมาฝึกสตินั่งสมาธิกันแต่ถ้าเราเห็นว่าการฝึกสตินั่งสมาธินี้จะทำให้เราได้รับความสุขมากกว่าความสุขจากการเสพรูปเสียงสิลด์มันก็จะทำให้เรามีความมีความพยายามที่จะถือศีลแต่พยายามที่จะมาฝึกสติพยายามที่จะมานั่งสมาธิ การจะทำอะไรนี้ต้องมีความพยายามเป็นความเป็นเป็นเป็นสิ่งสำคัญถ้า ม, มีไม่มีความพยายามไม่มีความอดทนไม่มีกำลังที่อยากจะผลักดันใจให้ไปในทางที่ควรจะไปมันก็จะไปไม่ได้นั้นต้องมีความพยายามมีจิตใจที่แน่วแน่ต่อสิ่งที่ดีสิ่งที่เราต้องการจะทำก็คือให้มี ความตั้งใจที่แน่วแนะ่มีสัจจะอธิษฐานถ้าเรามีสัจจะอธิษฐานมีความพยายามความเพียรสิ่งที่ยากก็จะกลายเป็นของง่ายไปแล้วเราก็จะสามารถทําสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทําได้ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นไหนก็ตามถ้าเรายังรู้สึกทําทานยังทํายากอยู่ยังเสียดายที่เงินทองอยู่ก็พยายามมองถึงอ น, นิสงส์มองถึงประโยชน์ของเงินของเงินทองกับ ของกับกับบุญที่เกิดขึ้นว่าอย่างไหนจะจะมีประโยชน์ก่บกันถ้าเก็บเงินไว้ตายไปก็เอาไปใช้ไม่ได้แต่ถ้าเอาเอาเงินนี้ไปทําบุญเวลาตายไปเราก็เอาบุญไปกับเราได้ต้องใช้ดูเหตุผลที่จะตามมาถ้าถ้าเราไม่คิดอย่างนี้เราก็จะเสียดายเงินเสียดายทองเราจะมีเงินทองเยอะแต่ไม่มีบุญติดตัวไปเวลาตายไป ตายไปกป็ไปเป็นขอทานไปแทนที่จะไปเป็นเศรษฐีบุญคนที่ทำบุญบ่อยๆก็จะกลายเป็นเศรษฐีบุญพวกเศรษฐีบุญนี่ก็คือพวกเทวดานี่พวกที่ไปอยู่ในสวรรค์พวกนี้เขาก็ไม่ต้องมาขอบุญจากใครคนใครจะส่งบุญไปให้เขาเขาก็จะอนุโมทนาแต่เขาจะไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือยินดีแต่อย่างใด ก็เหมือนกับคนให้เอาเงินขอทานให้เงินเอาเงินที่จะให้ขอทานไปให้เศรษฐี mm hmm. เวลาเราให้เงินขอทานเราจะให้ข้างลขาเท่าไหร่สิบาทยี่สิบบาทเราเงินสิบาทยี่สบาทไปให้เศรษฐีเศรษฐีเขาก็รู้สึกเฉยเฉยเพราะเขามีเงินเป็นหมื่นเป็นแส น, mm hmm. เ, งนเงินที่เราไปให้เขามันไม่ค่อยมีความหมายอะไรกับเขาเท่าแต่เขาก็ไม่แต่เขาก็ไม่รังเกียจเขาก็รับไว้ แล้วเขาก็อนุโมธนาในความมีไมตรีจิตของเราแต่ประโยชน์ที่เราจะให้เขาเขานี่มันนิดเดียวเท่านั้นเองเขาก็เลยไม่จําเป็นจะต้องมารอรับส่วนบุญเพราะเขามีบุญมากกว่าบุญที่เราส่งไปให้เขาก็ mm hmm. บุญที่เราทําอยู่ในขณะนี้นั่นเองถ้าเราทําบุญอยู่เรื่อยๆทําทานอยู่เรื่อยๆแล้วตายไปเราก็จะไปเป็นเศรษฐีบุญ mm hmm. เมื่อเราเป็นเศรษฐีบุญเราก็ไม่ต้องมาขอทานมาขอรอรับส่วนบุญ จากพ่อแม่พี่น้องญาติที่ยังไม่ได้ตายญาติที่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็ควรรีบทำเสียเพราะเวลาของเรามีน้อยลงไปเรื่อยๆชีวิตของเราสั้นลงไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครกำหนดได้ว่าชีวิตเราจะจบที่แปดสิบเก้าสิบร้อยหรือที่เจ็ดสิบที่หกสิบันจบได้ทุกทุกเส้นทุกขีดทุกระดับ บางคนก็ตายตั้งแต่เกิดมาวันเดียวตายก็มีบางคนก็ตายเดือนหนึ่งอยู่ได้เดือนหนึ่งตายก็มีอยู่ได้ปีนหนึงตายก็มีนั้นอยู่ได้ทุ ก, กระดับตายได้ทุกระดับให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ประมางมีโอกาสได้ทําบุญเมื่อไหร่รีบทําไปเถอะพอแปลงเงินเป็นบุญแล้วบุญนี้มันเป็นของเราทันทีมันจะอยู่กับเราเวลาเราตายไปมันก็จะติดตามไปกับเราไปทันทีอันนี้คือเรื่องของความสําคัญของการทําบุญ การใช้เวลาให้กับการทำบุญนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดอย่า เ, อาเวลาไปทำหาความสุขทางโลกทางรูปเสียงกลิ่นรสเพราะเป็นความสุขที่เราเอาไปไม่ได้สิ่งที่เราจะเอาไปได้จากความสุขจากทางโลกก็คือความหิวความอยากที่จะหาความสุขต่อไปเรื่อยๆความอยากเหล่านี้แหละที่เป็นตัวที่จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราทำบุญอยู่เรื่อยๆมันจะละมันจะตัดความอยาก ที่จะหาทางสุกจากโลกเสียงกินดสให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆเมื่อความอยากน้อยลงไปพบชาติที่จะมีก็จะน้อยลงไปตามลําดับเหตุที่เรายังมีพบชาติอยู่มากก็เพราะเรายังมีความอยากอยู่มากถ้ามีความอยากอยู่น้อยพบชาติก็จะเริ่มน้อยไปได้นื่อยๆนี่ก็เรื่องของการทําบุญในวันกําไรบุญที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเรวะหาปูราปริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตโตจินามเปตานังอุ ป, ปกาปิจิตตังปัตติตังตุมหังคิดเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาฬสุยะถามณิโชติ ราโสยทาสภิติโยวิวาชนตสัพโรโควินสศตุมาเตภวัตตะวันตราโยสกีติขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสานิจจังวุฒาปะจายิโนจตารุธรมมวันทันติอายุวันโอสุขัง ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกเพราะถ้าหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบคาถามต้ อ, ตองขออภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตา ม, มทั้งหมดเท่าไหร่ การเรียนครับอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ298ท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติ331ท่านทาง y o u t u ดรวีห้ท่านทางวิทยุออนไลน์10ท่านทางขับ b ฮ o u s e 3ท่านผู้รับฟังหน้ากุติ84ท่านรวมทั้งหมด776ท่านครับ กับตอนเจ็ดเลยนะทศเจ็ดสิบหกเชิญถามได้เลยเจ้าค่ะกาบนมัส ก, การพระอาจารย์นะคะมีผู้ถามเข้ามาทางเฟซบุ๊กของพระอาจารย์นะคะจากคุณกอนฮไทยกราบเรียนถามพระอาจารย์กรณีเหตุตึกถล่มจากแผ่นดินไหวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทําให้เกิดตึกถล่มจะมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากจะได้รับผลการหรือไหมคะ คือถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่มีไม่มีส่วน เ, นเรื่องเป็นของอุบัติเหตุไปถ้ามีมีเจตนาต่ทำให้มันถลง่งนี่ก็ถึงจะมีมีผลตามมาต้องมีความตั้งใจจะทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนแต่ถ้าทำงานไปโดยตามหลักวิชาการในทุกอย่างไปอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุยองสุดวิสัยไม่มีไม่มีผลทางวิบากกรรมแต่าใด เจ้าค่ะจากคุณ24กราบนมัสการพระอาจารย์สอบถามว่าการนั่งสมาธิทําให้เกิดปัญญาหรือไม่คะไม่เกิดการนั่งสมาธิทําให้เกิดอุเบกขาเกิดความสงบเกิดความสุขที่เกิดจากความสงบแต่ไม่มีปัญญาสมัยคนก่อนที่พระเจ้า ต, ตารัสชนรู้คนก็เข้าสมาธิกันได้แต่ไม่สามารถหลุดพ้นได้เพราะไม่มีปัญญา ไม่มีบัญญาที่จะบอกให้รู้ว่าเหตุที่ทําให้เราทุกข์กันเหตุที่ทําให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันก็คือตัณหาความอยากต่างๆอันนี้คือปัญญาที่เราต้องรู้ให้ได้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากจะหยุดความอยากได้เราก็ต้องมีอุเบกขามีกําลังของสมาธิถ้าเราไม่มีกําลังของสมาธิอย่างตอนนี้พวกเรารู้ว่าเราความอยากเป็นทุกข์ทำให้เราทุกข์ แต่เราก็อดที่จะทุกข์ไม่ได้อดที่จะอยากไม่ได้เพราะเราไม่มีกําลังจะหยุดมันแต่ถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิจนจิตนิ่งสงบไปดูเบรกขาขึ้นมาพอรู้ว่าเราทุกข์เพราะความอยากแล้วก็หยุดความอยากนั้นได้เลยก็จะไม่เช่นเราทุกข์เพราะว่าเราควรจะเป็นโรคมะเร็งอย่างนี้แต่พอเรารู้ว่าเราห้ามโมรคมะเร็งไม่ได้ไปอยากให้มันไม่เป็นก็ก็หยุดมันไม่ได้ ก็หยอดความอยากเนี่ยยให้มันเป็นไปมันจะเป็นก็ปล่อยมันเป็นไปพ oh. อ, อเป็นไปปับ๊บ mm. เราก็ไม่ทุกข์กับมันอยู่กับโลกมาเลงได้ตายกับโลกมาเลงได้เพราใจเราไม่ทุกข์เจ้าค่ะจากยู u ูบเจ้าค่ะจิตรวมเท่ากับสมาธิได้ไหมเจ้าคะหรือถ้าจิตรวมมีพลังจะเรียกว่ามินิฌานได้ไหมเจ้าค่ะก็จิตรวมก็คือสมาธินี่แหละ ถ้าร ว, วมแค่งูลแลบเนก็เรียกว่าคณิกะสมาธิถ้ารวมนานขึ้นไปก็เรียกว่าอ ป, ปนาสมาธิก็เป็นฌานสี่เป็นรูปฌานสี่ที่มีอุเบกขาเป็นที่ตั้งของจิตนี่ค้าคตามมีอารมณ์เดียวคือสัตว์แต่ว่ารู้เจ้าค่ะจากคุณชิตนุพง์น้อมกราบนมัส ก, การหลวงพ่อครับอยากถามหลวงพ่อว่าสภาวะ จิตไม่สงบเหมือนแต่ก่อนปฏิบัติแรกๆบางวันก็คิดฟุ้งซ่านเข้าสมาธิได้ไม่นานจะมีวิธีไหนดึงจิตให้กลับมาสงบได้ไหมครับกลับตรงพ่อช่วยชีย้ทางครับก็ขาดสติไนงะถ้าไม่มีสติจิตก็จะไม่สงบจิตก็จะฟุง้งถ้าอยากจะให้จิตสงบจิตไม่ฟุ้งก็ต้องเหมือนจเจริญสติเหมือนบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปภายในใจเรื่อยๆไม่เฉพาะแต่ช่วงที่เรามานั่งเท่านั้นควรจะพุโทโธไปทั้งวันเลย แล้วถ้าเราพุโทโธได้ความฟุ้งก็จะน้อยลงสติก็จะมีกำลังมากขึ้นเวลานั่งสมาธิจิตก็จะเนื่งสงบได้เร็วเจ้าค่ะจากคุณสาธิตถ้าเราทำนาทาไร่เราจาเป็นต้องใช้ยาฆ่ า, มาแมลงอย่างนี้จะบาปไหมครับบาปก็เดี๋ยวนี้ก็มีการทาเกษตรกรรมแบบไม่ใช้สารพิษไงก็<ม>ต้องมีวิธีการแต่ต้องอาจจะยากหน่อย เจ้าค่ะจากคุณเอ็นเจกระาบน้ำสการอนุโมทนาพระอาจารย์สุชาติแสดงธรรมอันประเสริฐทุกวันค่ะเช่นนี้คือจิตกับธรรมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วของพระอาจารย์ใช่ไหมคะอันนี้การเป็นเรื่องของเราที่ทไม่สามารถที่จะตอบให้ใครรู้ได้เจ้าค่ะมีคําถามค้างถามมาเมื่ออาทิตย์ก่อนเจ้าค่ะจากคุณหนึ่งกราบน้ัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ ขอเรียนสอบถามว่าเวลาที่เราเจ็บป่วยจะต้องวางใจอย่างไรหรือปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้จิตสงบเจ้าคะถ้าจิตไม่สงบก็ต้องใช้สติพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าไปอยากให้มันหายถ้าอยากให้มันหายแล้วมันจะเครียดเพราะมันไม่หายความอยากเป็นตัวทำให้เราเครียดทาให้เราทุกข์เราก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธอย่าไปคิดถึงความความเจ็บไข้ได้ป่วย อ๋ไม่คิดถึงมันความอยากก็จะไม่เกิดเอาไม่มีความอยากใจก็ไม่เครียดใจก็จะสงบอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้อย่างสบายปล่อยให้ร่างกายไม่สบายแต่ใจสบายสบายด้วยสติทําใจให้นิ่งให้สงบเจ้าค่ะ จากยูทูบจะขาดการปฏิบัติในชีวิตประจําวันตอนทํางานไปด้วยทําอย่างไรถึงถูกต้องครับมีสติอยู่ทุกกริยาบทของการเคลื่อนไหวของการกระทําเรากําลังเดินก็ให้มีสติอยู่การเดินเวลาทํางานเขียนอะไรก็ให้มีสติอยู่กับการเขียนอย่าเขียนไปแล้วก็นึกถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปอย่าเดินไปแล้วก็คิดถึงคนนั้นคนนี้ไปให้อยู่กับการเดินเพียงอย่างเดียวถ้าเขียนอะไรก็อยู่กับการเขียนอย่างเดียว ทำอะไรก็ให้อยู่กับการที่เราทําอย่างเดียวเวลากินก็ให้อยู่กับการกินอย่างเดียวเป็นต้นให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวหการกระทําทุกอิริยาบถ ท, ทุกการเคลื่อนไหวเรียกว่ามีสติอย่าปล่อยให้ใจคิดเพราะปล่อยให้คิดแล้วใจมันจะฟุง้งแล้วมันจะควบคุมไม่ได้ เจ้าค่ะจากเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกระดารเยนถามพระอาจารย์ค่ะประเพณีเผากระดาษของคนจีนผู้ล่วงลับไปแล้วจะได้รับผลบุญอะไรใหม่คะออมันเป็นมันเป็นความเชื่อเท่านนั้นเองมันเป็นความเชื่อวมันเป็นการการเหมือนกับว่าได้ส่งของให้คนตายไปด้วยการทำบ้านกระดาษทำรถกระดาษแล้วก็อยากให้คนตายไปนี้อยู่อย่างสุขสบาย ก็เลยเนี่ยส่งส่งรถกระดาษไปส่งบ้านกระดาษไปเป็นเรื่มความเชื่อคำจริงต้องทำบุญพอทำบุญแล้วเนี่ยก็จะไปอยู่สวรรค์เนี่ยมีบ้านใช้มีรถขับมีอะไรอย่างสบายเนี่ยบุญนะั่นนะ่ะที่เป็นเป็นของจริงไอ้บ้านกระดาษรถกระดาษนี้ก็เป็นของปลอมนั่นนะ <laughs> เจ้าข่าจากคุณศิริวิทย์คนอ่านคำถามธรรมะจะมีอานิสงส์อย่างไรได้บุญเยอะไหมครับเพราะเป็นคนสื่อธรรมะแพร่ออกอย่างกว้างขวางก็ได้มีโอกาสได้อ่านได้เรียนรู้ไปในตัวพอเวลาจะอ่านคำถามก็ต้องอ่านให้เกิดความเข้าใจด้วยพออ่านไปเข้าใจไปก็จะได้ความรู้ได้ปัญญาขึ้นมาแล้วพอได้ยินคำตอบมันก็พยายามทาให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปใหญ่ อันนี้ก็จะได้บุญได้สมาทิติได้ปัญญาแล้วก็ได้บุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้ก็คือมาช่วยถ่ายทอดคำถามของคนที่อยากจะถามให้ให้ให้้หหหตอบจะได้ได้ตอบได้อันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นสะพานบุญเจ้าค่ะจากคุณชัยสาร จิตที่สงบแล้ววางอุเบกขาได้เป็นอย่างไรครับกราบขอพระอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมด้วยครับขอบคุณครับออใจเนื่องเฉยไม่คิดปรุงแต่งไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีอารมณ์รักชังกลัวหลงเฉยเฉยได้ยินอะไรก็เฉยได้ยินคำชมก็เฉยได้ยินคำด่าก็เฉยจากยู u ูบเจ้าค่ะเขาสมาธิแล้วจิตเขาบอกว่า มีจิตในจิตมันคืออะไรคะละเอียดค่ะ อ, อ๋อก็คือความคิดปรุงแต่งของจิตจิตยังไม่สงบก็ต้องทำต่อไปถ้าพุโทโธก็ถ้าใช้พุโทโธก็พุโทโธต่อไปถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปอย่าไปสนใจกับอะไรที่เกิดขึ้นในขณะที่เราทาสมาธิเจ้าค่ะมีคำถามครั้งถามมาอาทิตย์ก่อนเจ้าค่ะขออนุ ญ, ญาตสอบถามพระอาจารย์ครับ ทำไมเวลาตอนสุดลมหายใจเข้าลึกๆไม่ว่าจะนั่งหรือนอนหรือเดินทําไมขนลุกขนพองเยินไปทั้งตัวอยากทราบรายละเอียดครับอ๋อมันไม่มีที่มาหรอกมันก็ให้รู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเท่านั้นกระผมไม่ว่ามันเป็นของไม่ของไม่เที่ยงของชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับไปมันเป็นธนัตตาเราสั่งมันไม่ได้บางทีมันก็มาบางทีมันก็ไม่มา อ, มอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปสนใจ มันมาแล้วมันผ่านไปก็ปล่อยมันผ่านไปใจเราจะได้ไม่ต้องมาทุกมากังวลม่อยากรู้อยากเห็นการรู้เรื่องราวเหล่านี้ไม่จาเป็นจะต้องรู้สิ่งที่เราควรจะรู้ว่าใจเราทุกข์เพราะอะไรมากกว่าทุกข์เพราะความอยากหยุดความอยากได้ไหมจะหยุดความอยากก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาถึงจะหยุดได้เจ้าค่ะจากคุณโบโบเจ้าค่ะมีสองคำถาม คำถามที่หนึ่งนั่งสมาธิอยู่ใจสงบไม่อยากได้อะไรแล้วอยู่ๆก็เกิดนิมิตเป็นองค์พระในข้างในท้องเป็นนิมิตหรือเป็นการที่เราเข้าไปในชานหรือคะควรทาอย่างไรต่อไปเพื่อให้เราปฏิบัติสู่การหมดกิเลสคะก็มองให้เห็นว่าเป็นตายรักไปแล้วก็ปล่อยไปมันเป็น้องเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอย่าไปให้ความสําคัญอะไร คำถามที่สองการขอบุญบา ร, รมีครูบาอาจารย์เราทำได้ไหมคะคนทำอย่างไรคะขอจะขออะไรก็ขอได้แต่จะได้หรือไม่ได้เรื่อง<ม>บุญบา ร, รมีนี้ขอไม่ได้ต้องสร้างขึ้นมาเอง<ม>คนอื่นทำแทนเราไม่ได้ถ้าทำแทนได้ก็ข อ, อนิพพานจากพระพุทธเจ้าเลยเพระพุทธเจ้าต้องการพรนิพพานขอให้โปรดประทานให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดปบ<ม>นี่ก็ถึงนิพพานเลย มีนก็สบายขอไม่ได้ต้องทำเองข อ, องเหล่านี้ต้องทำเองเจ้าค่ะจาก YouTube นั่งสมาธิแล้วชอบหลับจะแก้ไขอย่างไรดีครับ ล, ลุกขึ้นมาเดินสมาธิแทนเดินจงกรมแทนแล้วถ้ายังง่วงอยู่ก็ให้กินข้าวน้อยลงอย่า ก, กินข้าวหลังเที่ยงวันไปแล้วกินมื้อเดียวอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะคำถามครั้งถามจากคุณใบยกเจ้าค่ะทราที่เกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วจะทำให้ใจเป็นปกติไม่เอ็นเอียงอ่อนไหวกับเหตุการณ์ต่างๆมากไปถูกต้องแล้วใช่ไหมเจ้าคะเพราะเข้าใจว่าโลกใบนี้มีดินน้ำลมไฟสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตและไม่มีอะไรคงอยู่ค่ะนั่นนะใเราต้องตั้งมั่นอยู่ความสงบไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมา กลับนมัสการเจ้าคะ่ะเวลาฟังพระเทศตอนไปวัดคิดเยอะคะ่ะดีบ้างไม่ดีบ้างห้ามความคิดไม่ได้ถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องสนใจความคิดได้ไหมรู้แค่ว่ามันคิดแต่ถ้ามันเลยไปรู้ว่าดีไม่ดีแล้วปล่อยไปคะ่ะให้สนใจกับเทศที่เข้ามาดีกับเสียงธรรมที่เข้ามาปูกใจไว้กับเสียงธรรมอย่าไปสนใจกับความคิดของเรา เจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะออมีใครอยู่ที่นี่อยากจะถามไหมยังถามได้นะถ้าอยากจะถามเรายังมีเวลาอยู่นิดหน่อยมีถามเข้ามาทางเ c e บ o o กเจ้าค่ะจากคุณเนวินกราบเรียนพระอาจารย์โมหะชอบคลุมสติจะทำอย่างไรดีครับให้ปัญญาแก้โมหะก็คือความหลง เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ว่าทุกเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เราของเราว่าเป็นเราเป็นของของเราก็ต้องใช้ปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์อย่าไปยุ่งกับเขาทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราของเราให้คิดอย่างนี้แล้วความหลงก็จะหายไป เจ้าค่ะจากคุณสาธิตถ้าเลี้ยงไก่ไข่แล้วพอไก่แก่แล้วไม่สามารถให้ไข่ได้แล้วจําเป็นต้องขายไปอย่างนี้จะบาปไหมครับอ้าวแั้นต้องไปขายเขาด้วยเะไอเขาส <c oughs> ผลิตขายให้เรากินให้เราขายได้ก็ควรจะเลี้ยงเขาต่อไปตอบแทนบุลคุณเขาบ้างไม่ใช่พรอเขาไม่มีประโยชน์กับเราแล้วก็เอาไปขาย ถ้าขายแล้วเขาไปเลี้ยงต่อไม่ไม่ทำร้ายก็โอเคแต่ถ้าขายแล้วเขาไปฆ่าก็ไม่ควรที่จะขายต้องรู้ก่อนว่าขายแล้วนี่เขาจะไปทำอะไรกับไก่ตัวนั้นถ้าคนซื้อบอกยาวไปเลี้ยงต่อก็ขายได้แต่ถ้าขายแล้วพืชที่ยาวไปฆ่าพืชที่ยาวไปขายที่ตลาดอย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะเอาไปขายควรจะให้ทำบุญทำทานให้อภัยเขาบ้างให้อภัย ขพยายทานคือเลี้ยงดูเขาไปให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปจากคุณโสภาเค่ะถ้าเปิดร้านขายสุราแล้วทาให้ผู้อื่นไปเสียชีวิตจากคนเมาสุราที่เราขายไปเราจะบาปไหมครับเราไม่บาปหรอกแตเพียงเ ร, เราเป็นผู้ที่ทําให้คนทํำบาปง่ายๆถ้าเราไม่ขายสุราเขาก็จะไม่มีสุราดื่มมันอเขาไม่ดื่มสุราเขาก็จะไม่เมา เราก็จะไม่มีอุบัติเหตุอยนั้นถ้าถ้าคิด<ม>คือตัวเราไม่ได้ทำให้คนตายเราไม่บาปตรงนั้นแต่เรายังสามารถส่งเสริมให้คนอื่นทำบาปแทนเราได้อยู่เพราะนั้นพยายามอย่าใช้ทรรมอาชีพต่อ น, นี้อาชีพที่ทำให้ผู้อื่เขาเสียหายเดือดร้อนเจ้าค่ะจากคุณ24มีข้อสงสัยสอบถามว่าผ่านมา 2,500 กว่าปี ตะกูลหรือพระญาติของพระเจ้าสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้ายังมีสืบทอดมาจากมาจนถึงปัจจุบันนี้ไหมคะเคยได้อ่านได้ฟังชาดกหลายเรื่องหลายท่านพระพุทธเจ้าเมตตาโปรดจนมีดวงตาเห็นธรรมอ๋อเรื่องราวล่านี้ไม่จําเป็นจะต้องรู้หรอรู้ก็ไม่สามารถดับความทุกข์ใจของเราได้พระพุทธเจ้าส่งสอนให้เรารู้วิธีดับความทุกข์ใจเราจะดีกว่า เจ้าคา่จากคุณแนตตี้สิ่งสมมุติคืออะไรคะแล้วสมมุติใช่อวิชชาไหมครับพระอาจารย์ก็ชื่อเราไงเราชื่ออะไรเนี่ยชื่อชื่อนั้นก็เป็นสมมติไงไม่ใช่เป็นของจริงเปลี่ยนได้ถ้าเป็นสมมุติมันเปลี่ยนได้วันนี้ชื่อในกอพรุ่งนี้อยากจะเปลี่ยนเป็นนายขอก็ได้มันไม่ได้เป็นของจริงเป็นของสมมติเพราะสมมุติก็ไม่ใช่ของจริงนั่นเองเป็นของสมมุติขึ้นมา เจ้าค่ะยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวมีคนกําลังเขียนคำถามอยู่มีคําถามฝากถามจากผู้รับฟังธรรมานุกุติเจ้าค่ะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทําบุญกับพระอรหันต์ได้บุญมากกว่าพระอื่นๆจริงไหมคระเพราะเหตุใดคือเวลาทําบุญนี้มันมีบุญสองอย่างที่เราจะได้บุญที่เกิดจากการให้ เป็นทำบุญร้อยบาทกับพระอารหันต์หรือทําบุญกับพระธรรมดานี้บุญที่เกิดจากการให้ร้อยบาทนี้ได้เท่ากันขอความสุขใจอิ่มใจได้เท่ากันแต่บุญที่เกิดจากการได้สนทนาธรรมนี้ต่างกันถ้าได้คุยกับพระธรรมดาก็ได้ธรรมะแบบธรรมดาถ้าคุยกับพระอารหันต์ก็ได้ธรรมะระดับของพระอารหันต์อันนี้จะต่างกันตรงนี้คําถามที่สองจ้ะค่ะ <c oughs> เราจะทราบได้วิธีใดว่าเราจะหลิดปฏิบัติธรรมเก่ามาทางใดมีวิธีทราบไหมค ะ, ะมันจะรู้เองอ่ะมันทุกวันนี้เราชอบอะไรมันก็มันก็เป็นไปโดยอัตโนมัติทำไมเราชอบสีเขียวทาไมเราไม่ชอบสีแดงอันนี้มันเขาทำเป็นของที่ติดมากับใจเราแล้มันเราก็จะทำไปตามตามที่เราชอบแต่บางทีการทำต า, ตามที่เราชอบมันไม่ดีเราก็ต้องแก้ไข เราต้องเอ า, เอาคำสอนอพูะพุทธเจ้ามาแก้ไขถ้าเราเคยชอบทำบาปนี้พอเรามาเรียนรู้ธรรมะว่าทำบาปไม่ดีเราก็ต้องฝืนอย่าไปทาแล้วท่านบอกว่าให้ไปรักษาศีลเราก็ต้องฝืนรักษามันถึงจะทำได้ mm. ก็ต้องดูคำสอนเป็นเป็นหลักว่าเราสามารถทาตามคำสอนได้มากได้น้อยเพียงไรก็พยายามทำให้มากขึ้นไปเรื่อย เจ้าค่ะจากคุณอโนมาต้องทำอย่างไรถึงจะมีปัญญาอย่างแท้จริงเจ้าค่ะต้องปฏิบัติต้องปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วก็ไปไปเผชิญกับความทุกข์ต่างๆเพราะว่าถ้าไม่มีความทุกข์ปัญญาจริงยังไม่เกิดมีคำพูดว่าทุกข์บอกมีปัญญาบอกเกิดต้องไปเจอความทุกข์เช่นไปอยู่คนเดียวแล้วเกิดความหวาดกลัวขึ้นมานี่ก็จะรู้ว่านี่ทุกข์เกิดขึ้นแล้ว แล้วเราจะทำไงจะดับความทุกข์ได้ก็ต้องยอมกลองยอมตายเพราะความกลัวมันเกิดจากความไม่ไม่อยากตายนี่เองพแต่เราก็รู้ว่าร่างกายของเรามันไม่เที่ยงวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องตายถ้าถึงวันถ้าวันนี้จะเป็นวันที่มันจะต้องตายก็ยอมตายไปพอยอมตายปั๊บก็าหายทุกข์ขึ้นมาทันทีก็จะได้ปัญญาปัญญาที่เห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากไม่ตายเจ้ค่ะ ถ้าเราทำธุรกิจเราอยากได้กาไรเยอะๆอย่างนี้เรียกว่าความโลบไหมครับแล้วควรวางใจอย่างไรครับก็โลบมากลปน้อยก็แล้วแต่เราบางคนทำทำแบบไม่เอากาไรก็มีบางคนทำแบบขาดทุนก็มีเช่นหมอบางคนเขาเปิดคลินิกคิดคนละหบาทนี่คิดคนไข้คนละห้าบาทหรือสิบบาทก็ไม่รู้พย cartoon, ายามขาดทุนเพราะเขาอยากจะทำบุญมากกว่าเอากาไร มันก็อยู่ที่คนแต่ละคนจะตัดสินาวา่าอยากจะได้มากอยากจะได้น้อยถ้าอยากโลภมากอยากได้เงินมากก็ได้บุญน้อยอยากได้เงินน้อยก็จะได้บุญมากมันเป็นอย่างนี้คำถามจาก y o u t u ใช่ไหะเบียนถามพระอาจารย์ครับการให้อภัยในความผิดพลาดหรือบาปกรรมที่ตัวเองทาไว้ในอดีตทำให้เกิดความคิดในแง่ลบอยู่ตลอด คิดโทษตัวเองมีความรู้สึกว่าตัวเองไรค้ค่าคนวางจิตยอย่างไรครับก็ควรสอนใจว่าสิ่งเดีที่เราทําไปแล้วผิดพลาดเราก็อย่าทําซ้ําอีกเอามาเป็นบทเรียนสอนใจว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะทําให้เรารู้สึกไม่ดีต่อไปก็พยายามอย่าไปทําซ้ำซากเจ้าค่ะจากคุณเนตตี้ตอนพระอาจารย์ปฏิบัติเคยพบความเสื่อมของจิตไม่ครับแล้วแก้ไขอย่างไรครับ กลับมาสว่างเหมือนเดิมครับ อ, อ๋อก็ถ้าเสื่อมก็ต้องพยายามเจริญสติไปเรื่อยๆสาเหตุที่จิตเสื่อมก็เพราะสัขาดสติปล่อยสติมันหายไปกิเลสมันก็เลยออกมาทํางานมากขึ้นก็เลยทําให้จิตเสื่อมลงพอได้สติปั๊บก็พยายามดึงสติกับคืนมาพอมีสติกับคืนมาใจก็จะสงบกิเลสมันก็จะหายไปใจก็จะหายเสื่อม จะจะเสื่อมหรือจะไม่เสื่อมอยู่ที่สติเป็นหลับเจ้าค่ะจากคุณ24ี่ลักษณะของมิจฉาสมาธิและสมาสมาธิเป็นอย่างไรคะสมาสมาธิก็คือจิตสงบนิ่งเป็นอุเบกขามิจฉาสมาธิก็คือจิตสงบแล้วออกไปเที่ยวในโลกทิพย์เช่น ไ, ไปเที่ยวในะโลกไปเที่ยวสวรรค์ไปเจอนางฟ้าเทวดาหรือเอรตผีอะไรอย่างนี้ เรียกว่ามิจฉาสมาธิเราเป็นสมาธิที่ไม่มีกำลังอุบเบกขาสนับสนุนไม่สามารถเราไปใช้ในทางปัญญาได้ไม่สามารถเ จ, จริญไปทางปัญญาได้ก็เรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่สนับสนุนปัญญาให้หลุดท้นจากความทุกข์ได้ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้ า, าค่ะไม่มีก็เท่านี้ก่อนสาหรับวันนี้